ขอหนุ่น้องคุณพระรถนาใจคุณพุทคุณพระธรคุณพระสงฆ์ขอโอกาสทําความาเทิดถึงทุกคนนุณของพ่อคุณขีนสวนนงกับขอโอกาสาของพ่อคกมแล้วก็อาจารย์ตองหนิงแล้วก็เพื่อนอทั้งทุกท่านอย่าเลยทนไม่กีแล้วก็แยกที่ทำทุกคนมาที่นี่แกขอว่า อีสานชใช่ไหมเนาะไอ้ตั้งโดยเรื่องแต่ฟังฟังารมฟังความคิดในใจโดนใจคงเลยเป็นฟังโดยเรื่องก็ฟังแต่เอาแต่มารวม้วงงานปฏิบัติธรรมวัดหลวงปทุมนะแจกเงินประจำทุกปีบางคนก็ได้มาแต่ปีแรกนะ ปีสองพันห้ารี่สิบห้าเนาะปีที่เช้หลองโบสนะหอใงพ่อนจะพาจัดปฏิบัติธรรมนะพอนเลีหลงโบสนะประจัเป็นประจามาทุปกปีหลวงพ่อในยบนอยู่อาจารย์ตรงมี้ก็จัดตอ้จัดแท่นนะอันนี้ก็เรวัดเปลือกสารเจตนาลงทองหลงพ่อขุนเขียนนะ พ อ, ขอเขียนิ่งมอดวไว้กับให้เขาไว้ยยแลแหละนะอแอบมาได้คิดถึงพอคิดถึงแวต้องเขียนว่าเลยมีเรื่องหนึ่งอยากให้ว่าวิฟังพอดีพึ่งแอบอบรมคนจีนนะอยู่สอบซ่อมแล้วแล้วก็ี่มีหมอคนนึ่งเพิ่งว่าวิฟังเป็นเรื่องแพทยนะเป็นเรื่องจริง เพเป็นหมอหมอจีนนะมีม well. ือนึงมีโมูมหามีมูมหาก็เพืนนอนพอหลับมาหลายมาหลายปีแล้วกินยานอนหลับเช่นไรจะก็พอหลับนะเดิมแรกจะเริ่มกินตั้งแต่เม็ดสองเม็ดน่ะเดี๋ยวนี้กินหนี้เจ็ดเม็ดสามเม็ดนะก็หลับได้แค่ชั่วโมงสองชั่วโมง กินจนแบบมันกินหลายขนาดกินเกินขนาดมาได้ละแท้สลับได้แค่เที่วโมองสดเที่ยโมองกินใหญ่20เมนนะอย่างไี้ครับเป็นแบบนี้มาหลายปีละก็เลยจะบทรมานห่ายทรมานหลายหมอก็เลยฟังอาการนะก็เลยถามว่าตอนแรกเนี่ยการกินยา เริ่มกินยานอนหลับตอนไหนพี่คะท่านเพื่อนบอกว่าตอนเริ่มเล็โรงงานเทียแรกอแต่ก่อน่ะที่เป็นลูกจ้างอะไรที่เที่ยวอย่างก็เรื่องนะแต่พอเริ่มมีโรงงานเป็นของเจ้าของเองก็เริ่มกินยาละเม็ดหนึ่งกระดับแน่ชื่อวโมงสองชื่อวโมงลักนะแต่พอเวลาหลายเึ็มเรื่อยๆนะอตอนนี้จะมีโรงงาน ยี่สิดโรงงานต้องกินยาหนังหลับมี่สิดเมตรนะคอยได้หลับเแ็่ชั่วโมองสองชั่วโมองคือป ร, ป, ร ป, รประมาณว่าโรงงานหลายคืนก็ต้องกินยาหนังหลับรายคืนนะอันนี้หมอก็เลยถามว่าขั้นขั้นตอนเนี่ยเข้าพนัก ง, งานเนี่ยอีมีอมีเ ง, น ง, นงนินกินข้าวยึดโดนกันไหนเว้ยท่าน คนก็อบอกว่าขั้นกินธรรมดาธรรมดาเนี่ยกินจกักผิวชาก็ระเบิดหมอเลยบอกว่าเอาเอาเ อ, าเอาขายรงงานผิวซักว่าต้องหิ้งานแล้วเจ้าของบริษัทก็บอกว่าอีขายเไรเนี่ามโรงงานว่าต้อมือหิ้มาต้อมืออีขาย้อีขายอีขายผิวได้เท่งไร หมอก็ต no <laughing> ้องมาดีลานะเนี่ยมาหาหมอเนี่หาย้ิยานอนหลับในก็ได้เห็นมาสอบประวัตินะเห้มาพิษยานอนหลับในหมอกขาบอกว่าหยาไปแล้วหายยังไงบอกหายาไปแล้วนะหนักเกินจิบถึงงงหายยายังไงยังไม่ได้กลุจเยียมเลย หมอบอกว่าเนี่ยให้ยาเนี่ยยาที่มันให้ปิขายโรงงานับเดี๋ยวก็นอนหนักเองแหละแต่เพิ่นก็ว่าเสื่อหมอเพิ่นจะตายเพิ่นจะออกไปหมอบอกว่าได้ขาวอีกหกปีถัดมาคนนี้เพิ่นขาดตัวตายทารมานหลายคนทรมานจากความเครียดหรือทรมานจาก การที่นอนก็หลักหนักอีกหกปีต่อมาแล้วขาดต่วตายเลยเขากือมองคิดว่าโอ้มันแก่บางทีเนาะรวยขึ้นไงคาร์บอนแมทไบต์มีความสุขขึ้นเด็กหรือเก่งไงสางโรงงานสานธุรกิจเกิดประสบความสาเร็จถ้าไอคบนแมทไวต์มีความสุขก็ได้เด็กแน่นอนบางทีความสุข นะหรือว่าความบรทุกเนี่ยมันบางเว่ า, เ, าเขาต้องรวยนะหรือเขาต้องเก่งนะหรือเขาต้องมีมีกินมีใส่มีสิบชาติแล้วว่เบื่อตรงนี้อาจอยู่วมีความสุขก็ได้นะแต่บางคนก็อาจไมมีความสุขก็ได้นะแต่ว้แน่คือความสุขในชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ว่าบริเกียวกับนะ ฐานะบ่ได้เกี่ยวกับประสบความสําเร็จมาเท่าไรแค่ท้องสุกหนิมันยืมเงินเลยยืมออกมาวางใจถือนั่นแหละอย่างนักธุรกินั่นเขาก็เออเขาตัวเสื้อหมอเนะาะเสื้อหมอบริษัทเป็นผิบบริษัทโรงงานผิดโรงงานเงินยืมกินมิ้งกินมีไส้ถึงนสิบล้านนี่ประโยชน์เี่ย นอนก็ว่าดับนะกินเข่ากนะ็ว่าแทบน้อนก็นนดับเนี่ยกินเข่าก็บ่าแทบนะใช้ชีวิตจะอยู่ในความเครียดนะ่นสุดท้ายไปคิดว่าชีวิตนี้มันเป็นทุกขนะ์ตา ย, ตายอาดีตเศ้าทุกขนะ์เคยขาดตัวตายนะขาดตัวตายอาีเศร้าทุกขนะ์แทบบอกน้องก็ไปทุกข์ของอื่นต่อเข้าใจมันย่ำงลงผิดเยอะ ก็ยังต้องไปทุกที่อื่นต่อแท่ท่านใจนี่มันบรทุกแล้วนี่ที่ไปีึผมได้มันปรทุกอามาเตยคิดว่าไอ้แม็กนี่ยาที่หมอเพ่นไหยนี่หมอจีนเพ่นไหยบอว่าไอ้แม็กซ์บอกให้ไปพายโรงงานซะนี่เพราะว่ามันได้บทเรี่อยที่ได้นอนหลับนี่กินข้าวแทบยาที่หลวงพ่อไนยหลวงพ่อจีนให้เอาด้วยือกันน่ะ มาก็หลวงพ่อให้แกหลวงพ่อมายวดผู้ปกครองใหม่ๆนะให้เขารู้สึกโตนะนี่วะให้เขานิสติรู้สึกโตน่ะคือยาถ้ายานี้หลวงพ่อก็คือหมอนั่นแหละเป็นหมอยาหมอทั้งใจนะแต่เขาต้องคิดเองหลวงพ่อวางทับให้ผู้ใดกินยานี่ก็ได้แล้วนะ หลว่อก็แก่เฝ้าออเชิญชวนน เ, เปิดโอกาส เ, าออกเช่นสังง่นงานปฏิบัติธรรมแบบนี้นะเนาะเฝ้าทุกเศ้าเฝ้าออทุกโอกาสที่อยู่นะ่ะให้เขาฟังเพื่อบอกในหะ้เขากินยานี่อักกินแล้วไป <c oughs> กินมาหลายสิปีแล้วเนาะหลายต้นนะกินมาหลายสิปีแล้วเศร้านดะ้วยงั <c> ้น <oughs> เนียว่าเศร้าดือนไหนเนาะบางทีก็้องคิดว่าบางทีไปคิดว่ากินแล้วตอนไหนเศร้าน้อตอนไหนเศร้าน้อให้คิดเพงสี่เดียวใล้ๆเขาเป็นต้มนันสูงหรือเป็นโบาวานให้เป็นยาประจาชีวิตเขากินไปต่ตายนั่นแหละยาต้มน้ยาเบาหวานอัตมีผลทางเคียงต่อต่อไตต่อยังอื่นแน่ เขาเนี่นต้องกินนาะเพื่อควบคุมความดันควบคุมเบาหวานแต่ยาการมีสติรู้สึกตัวเนี่ยบม่มีผลข้างเคียง <c oughs> ตับไตไตคุ้งนี่มีได้ดีขึ้นนะนะยาตัว น, น, นี้เนาะนะไม่มีผลเคียงให้คิดว่ากินไปทุกมือ้อนะเดี๋ยวได้เบือ่อกินยานะคันเบือ่อกินยาเนะ่ะกินหนักเด้อกินนอนก็หลับ อีกกินข้า ว, วก็แส่หิวงจน็นมีตกตะกอนเครียดนะซงเนี่ยมาไปเบิงมพระพระจีนยุคสุขโขทตด่ะเป็นป่วยเป็นเลือดสมองตีบเป็นความดันสูงแกก็ได้กินยาก็เลยเป็นเลือดสมองตีบตีบขวานี่อ่อนแไงเลยพอไ้กินยาป้องกันคงามดน จิตใจของเขาก็คือแบบนี้แหละนะเมื่อไหนมาเขาก็รู้สุดโต้่อในห้องขาดปกตินะสังเกตเนาะเมื่อนั่งนี้นอนปกไปดีนะเมื่อนั่งจะอีดหมดหงิดง่ายนะเมื่อนั่งจะอีดนะปกไยสุขสบายกายสุขสบายใจยังไงนะนะเอาอย่าลืกินยาที่หลวพ่อไนบอกมาไว้นะในการวิตติษดนี่แหละดูลุกเนาะ อาศัยอิเดียบทเนี่ยอาศัยร่างกายร่างกายของเขานี่ยเป็นตัวผลิตยาผลิตผลิตความมูเมียมูเมียนะก็มูเมียชิงเนาะภาษาโบราณเนี่ยมูเมียก็คือมูสุดโตนั่นแหละนะมูเมียก็คืออิเดียญจะแล้วแต่ไม่ไม่นี่มีความตั้งใจที่มูเมีย ยังพอออกไม่ออกหลายพ้นหลายเลือดหลายก็ใหญ่สอบหน้าใจมันอยากไปกมันปวดแล้วแต่ก่อนอีลุกให้ยบเฝ้าหลายตั้งใจก่อนอีลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วก็หูมีแล้วว่ากำลังลุกว่าลุกแล้วก็ค่อยตั้งใจง่านไปเอาเอาความรู้สึกโตเนี่ยไปกำหนด ในทุกอิริยาบถนะอิยืนอีนั่งอีเดินอินอนนะให้ไปกําหนดก่อนกาหนดก่อนกำหนดในขนาดหน้าดักนะกําหนดคือมันตั้งใจน่ะกําหนดว่แไม่ว่าไปบริกรรมได้กําหนดคือตั้งใจเออพอแม่ลุกขึ้นแล้วอีอิไปใดนอนเคยบอกลุกขึ้นมาแล้วคิดว่ออกอิไปใดนี่คือว่าเด้กําหนดก่อน ลุกขึ้นมาแล้วนะใจมีตั้งไวจะจะยางไวเดี๋ยวเรมีสตินะนอกจากอี่เหตุให้เฮามีสติรู้สึกโตแล้วาการเหตุให้เขาละมัดระวังเนาะบางทีอาจจะยไหลา ย, ยืนยางมั้งพวกยางเซ่ใตเ้เต่ขวาเตกหินเตะหน้าเตะนี่นะขันเขามีสติเขาเดี๋ยวเห็นอ๋อหินมายืนมองนี่ยางขังไปหรือบาทีมันสุดวิสัย วายยังขาดแน้วขาดเนาะเ่ยปวมัาเตะหีนนุมนะน้่มไปยิ่งไลโทษหินหรืท่าจ้าของหินมันเจ็บก่อนไงเดี๋ยวว่าขาจะตของเนี่ยก็ไหวนะนะบางทีเอามาเห็นพ่อแม่ฟังคนแบบสอนลูกเับมากะโอ่สอนก็ะปถือนองนะสมมติลูกนะแรงไปเนาะไปต่างเต่า่ล้มบอก นะตีมัน้นตีมั่นนะไอ้ลูกตีก้อีนะวาต้อีเฮ็ ด, งดงนะรดกกูกจะกลองดมมันบวแมนเด้งมากวัดได้เหตุจากต้อยีก้อีจะดื้ซื่อไนไะแเ้เหตุจากตอยีแล้ววาก้อีเฮ็ดเฮ็ดลนะูกมันดมนะก็่ออลูกผิดจะได้ก่อแรกมนะัอันนี้จะคิดกันเดนะ้คนเขานี่ <c oughs> เวลาเขาทุกเวลาเขาเป็ น, ยนอย่างเนี้ยจะไปโทษคนอื่น กลับมาเบิ้ลเจ้าของกลับมาเบิ้ลเจ้าของเจ้ผของทีจ้าใหญมันได้ทุกน่ะเจ้าขอให้จ้าไหญมันเคยงบล่มนะกลับมาเบิเจ้าขอน่ะมาแก้ไขหม่องเจ้าขอน่ะยกไปโทษคนอื่นน่ะเขาว่าเขาเนี่ยเขาเนว่าเขาต้องทุกก็ได้น่ะเขาว่าเาก็ชื้อๆซือๆก็ได้ว่าเป็นอย่างนรกน่ะน่ะ เพื่นมองดูเพื่นก็พอใจเพื่นก็ว่าอจะสร้างหม อ, อเพื่อนนยเอาว่าแปลกๆว่าไปยึดไว้นันก็บะทุกนะแต่ขเขาไปเอาความทุกข์ของเขาเนี่ยยืดกับคนอื่นเนี่ยโอมันมันจะบวชต่อทานเนาะร่างกายของเขาด้วยกันนะอมันจะเกิดยันีิละ่ะ <c oughs> มาไปตรงติกทรงร่มบานใช้ยืมพูดมเขียนมา โรคที่เกิดจากวัตะสงสารคือโรคอย่างนี้ปวดแข็งปวดขาปวดคออย่างต่างๆซ้องเสื่อมเนี่ยล่ะพนเอื่นว่าทาหมอเพื่อนว่าโรคที่เกิดจากวัตะสงสารแล้วนั้นโรคแบบนี้นะไปหาหมอยืดไหลจะรักษาว่าหายขาดแบบนี้นะออมันได้แค่บรรเทาอาการเพืนะ พราะว่าร่างกายเนาะมันไสจนมันเสื่อสมสภาพนะที่คิดว่าห็นมันดีคือเข้าแดงหันคือเกขานะมันก็ได้แล้วเนาะนะใจเขาย้อนรับความจริงเลยว่ามันเป็นไ ป, นปนตามวัฏจักรของชีวิตนะวัฏจักรของร่างกายมันเป็นยังซี่แหละนะแต่โรคที่น่ากลัวกว่าคือโรคทั้งใจเนาะร่างกาย มันเป็นทุกข์ร่างกายมันบอบสบายมันแต่จิตใจเนี่ยมันบอเป็นอย่างมัจะได้เลยนะจิตใจเนี่ยมันต้องเป็นปกติเป็นธรรมดานะมันมีคาที่สุดทิ่ใจคือเป็นปกติเป็นธรรมดาสมมุตินะเปรียบเทียบเนาะธนบัตหนึ่งเงินเนี่ยสมมติสามารถจะแบ่งพังหนงหนง คันบาทโยมอยากได้บ่มันมีอาอยู่งันแบ่งกันบาทมีเนาะเอาซื้อของก็ได้เนาะสมมตินะมะบี้กาแบ่งเนี่ยจนยับเยื่้เลยเนี่ยเโยวว่ามันยุบิซื้อของได้หรอคันให้ยาว่ะเอาเนาะเพราะมันก็ซื้อของได้นะ หรือถ้ามันตกขึ้นนะหมาจะเหยียบเนี่ยฝนตกตก็เปื่อนนะเปื่อนปูนเปื่อนดินเปื่อ น, น, อนโคลนมันยังว่าืีอของได้บ่าเ น, น, นะาะถอสมมติเปียกเทียบ เ, เหมือนพันบาทเนี่ยเปียบ ก, กับจิตใจของเขานะคุณค่ามันแ จ, จ๊ดใช่ไหมคือรัดท้ า, ามันนี่ว่า ราคาพันบาทนะเอาไปใสมันจะได้ในราคาที่มันใสได้แต่ข้างนอกเน่ยมันดิ้งไม่ก็ดีมันนิ้งยับก็ดีมันนี้เพื่อนก็ดีคือแบบด้านกายเราไม่ได้เหนื่อยด้านกายเราแต่นี้มันคือแบ่งมันยับแบงมันยักมันใสมาไหลใสมาโดนนะเป็แต่ตกเก่าเนาะแตมันไสยัซื้อของได้นะ ร่างกายของเขาอดีบริเตนไม่บริเตนนมบริเตสาวนะนะแต่ตัวมันเลยคุณค่าของชีวิตเขาอีบทไปตามสภาพเพราะคุณค่าแท้ๆมันคือคำไหนนะคือเงืนอน่ะมันไม่ได้สําคัญที่ว่าภายนอกมันเป็นยังไงสำคัญจะว่าคาไหนมันเป็นยังไงชีวิตเขาเป็นยังไนะอดีจยับอยู่ยีบตามวัฏจักรของ สั่งกางร่างกายอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาหรืถูกกระทํานะคือคนเหยียบคนยั่งนะเพื่อนค้นเพื่นคนขนาดใดอันนั้นก็้าประเทศให้คุณค่าของาะเขาเสียเลยเนี่ยเพราะแม้ว่าเราะคนว่าคขาเขาหรือเขาคนว่าเขาหรือเขามีปัญหาต่างๆอันนั้นก็ว่าเป็นคุณค่าแท้นะ อันนั้นมันแคยๆคือเหยียบแน่ถื อ, อเพื่อนโคนเพื่อนดินแน่ก็คือแต่คุณค่าแท้ๆของเขาเนี่ยคืออย่างคือจิตใจนะจิตใจน่ะอันนี้สําคัญที่สุดนะเขาเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยคุณค่าแท้ๆของเขาเนี่ยคือใจที่ปกตินะใจที่นู่มสึดโตนะใจที่วุ่นวุ่นเนี่ย คือคุณค่าแท้แนะ่น่ะเขาจะไปเปรียบเทียบตัวเขาเพราะว่าร่างกายมันแก่นะเพราะว่าเขาเ็ำงานเมื่ได้ตายที่เข้าแล้วนะ่ะอนนั่นเนีย่ยว่าไม่คุณค่าแท้ของเขาเนาะนะคุณค่าแท้ของเขาคือเขามีกายเขามีใจเอ า, ส, าสต่างสติสร้างคุณงามความดีสร้างความบรทุกธ์ได้เนะี่ยคุณค่าแท้เฮนะ็ดตรง น, นี้ๆๆนะหลายๆเฮ็ดจีิงยัง นะให้หูเมียดูดุหูเมียตายนะหูเมียชิงนะแล้วอีกอย่างหนึ่งหูเมียใจนะให้หูใจจะพคงน้ำ น, นะเวลาเขาปฏิบัติธรรมเนาะะเวลาเทศดในรูปแบบนะเคลื่อนไหวนะรู้สึกโตนะเคลื่อนไหวก็ดูร่างกายนะแต่บางทีใจบางทีมันเครียด ใจมันทุกข์ใจมันเท่งนะก็ให้เอาหูทันน่ะอย่าไปเข็ดแบบอย่าไปเข็ดแบบไปตั้งใจโทษนะแค็แบบหลวงพ่อเขียนบอกเนาะผมยิ้มแน่ผมยิ้มน้อยๆไหวนะคั้นอมยิ้มน้อยๆไหวเนี่ยกมือมันเบายกมือมันสบายแต่ขั้นแบบไปเอาจริงออกจากโทษเนี่ยมือมัอนนัำหนักเนาะขาก็หนักแต่ถ้าเข็ดแบบผมยิ้มไหวเนี่ย มือก็เบากายเบาใจเบาแต่มอนเบาแบบร่องรอยไปคิดเพลยๆได้เบาแบบเบามือเบาตัวนะาะฉะั้นขั้นเบามือเบาตัเนี่ยนะเคล็ดได้บิดมือนะยางแน่นังแน่ยืนแน่เอ็นหังแน่จะกระหูเมียเลอ พอมันเอนหลังก็คิดนั่นคิดนี่เองเออก็ะโหมอยู่ว่านอนอ่ะเมื่อยเนาะร่างกายมันเมื่อยก็พักสักน้อยอาจจะรู้เมียเยอะตื่นขึ้นมาจะลูกเมียต่อเลยแบบนี้นี่คือพระกายมันเบาไงใจก็เบานะแต่ที่จริงเพราะใจมันเบาก็เนี่ยกายมันได้เบาคือใจก็ต้องสบายๆมันเป็นปกติเป็นธรรมชาตินะก็รู้สึกโตไป คือบางทีใจมันก็เกิดไปคิดนั่นคิดนี่นะกลับไปบ้านจะเที่ยวแล้ว <c oughs> ไปอดีตจะเที่ยวแล้วนะไปอนาคตจะเที่ยวแล้วไปจะเทีย่ยวแต่ก็เป็นอย่างเด้กลับมาไวๆนะกลับมาเไวๆมันไปเนี่ย <c oughs> พขเบิร์นยังซี่มันห่ามเรได้เหมืนบอก ใจเนี่ยมัน <s> ห <departure> ่างก็ได้นะมันก็ได้อยู่ในบังคับบัญชาของเขานะให้บริษัทมันไปของมันเองนมันไปของมันเองทิ้ยเงาให้ได้คืออ่ะกลับมาเด้อกลับมาดูสุดโต๊ะไหมแบบนี้เนาะให้บริษัทเวลาใจมันคิดไปเรื่องอย่างก็แล้วแต่เออบอกมันโอ้มันไปของมันเองเนาะสร้างของมันพอเขาก็ พอเขาโมเมียละไมกลับมาเองนะอันนี้เบิ้งเมื่อสิเบิ้งว่าคันภาษาพาคนว่ามันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตานะอ น, นิจจังคือพอเที่ยงนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีนะเดี๋ยวก็ไปนั่นไปนี่นะอันนี้ก็เป็นอนิจจังถ้าเป็นอนัตตายัางไงบังคับก็ได้นะบังคับที่ให มีได้สติตลอดเวลาก็บังคับบ่ได้ท <c oughs> ั้งมันบ่ได้นะบอกมันบ่ได้นี่คือบังคับบ่ไดนะ้แต่กันเท้าอีเทสแบบบังคันนบน้องโพธิ์นั่นที่เปลนทุกเดชนะนั่นยแยกเทสแบบบังคับมันหลายแห่งมันใช่แช่ค่อยๆบอกค่อยๆสอนเหลนะค่อยๆสอนค่อยๆบอกค่อยๆสอนนะไผ่สบายใจเขาเนี่ยสบายใจเมืนบอก คือเขาสอนลูกสอนหลานน่ะสังเกตเลยตอนที่เขาบอกวันดีๆว่าค่อยๆว่าใจเย็นๆใจดีๆเนี่ยคนที่สบายใจของเขาเนี่ยแต่ถ้าตอนใดเนี่ยเขาดุเขาด่าเขาว่าเขาบังคับเขาโทษเลยเขาเนี่ยเป็นทุกข์คนเป็นทุกข์คือเขาเนียเด็กน้อยมันกลายเป็นเป็นทุกข์ตั้งแต่บางทีมันแห่งว่าเขากลับอีกแหงไปเป็นไงแต่ตอนใดเขาบอกเขาดีๆเนี่ย เขาเ่คสเนี่ยก็เรื yea. mm ่องของเขาเด้แต่เขาใจเขาดีแล้วนะแต่กระเอดอาจจะเคสให้เขาฟังหลายส่วนก็ได้ดังนั้นเวลาสอนเจ้าของเนาะก็ใจดีสอนเจ้าของนะใจดีใจเย็นๆนะมันคิดไปเจ้าก็เป็นยังนะอ่กลับมาไม่น้อกลับมากลับมาที่ตัวร่างกายไม่ี่แหละนะเขารู้ทันใจแล้วว่ใจ เผอออกไปออันเนี้ยเรากลับมากับร่างกายในไม่แล้วนะไม่ออกใเฮตันซี่เนาะเขาออกใเฮตันซี่น่ะพยายามดูทั้งกายด้วยทั้งใจหรือเเบวเยอะๆเฮตนซี่แลได้เล็บนะบอกว่าเคลื่อนไหวเนี่ยใจมุ่งเคลื่อนไหวใจมู่เคลื่อนไหวมู่ใจเขาจะไปเท่าเคลื่อนไหวเนี่ย ใจเป็คนคอยมู่คาว่าสติรู้สึกโตเนี่ยคือจิตใจมันรับมู่มันับรู้เนาะเคลื่อนไวหวใจมู่เคลื่อนไหวแล้วกู่ใจจะาของน้าใจมันคิดเขาก็มู่ใจมันทุกข์เขาก็มู่ใจมันอยากได้อีหงเขาก็มู่อันเนี้ยเรียกว่าเคลื่อนไหวใจมู่เคลื่อนไวหวมู่ใจในเนี่ยแบบนี้เนี่ยเขาเรยว่า ผูสูดโตเนาะแม่ออกพอออกก็ได้ฟังผู้บาอาจารย์เทศนมาได้แล้วอาจะมาก็ว่่ให้เป็นกำลังใจแล้วก็ว่่ให้ให้รักในการปฏิบัตินะแต่ก็คือหมอจีนได้มาบอกมาให้ยาทุกทีคือหลวงพ่อไงจ็ให้ยาเขาไว้โดนรักนะคือท้ายก็ต้องกินยาเองเนาะ แต่ถ้กินไปเรื่อยๆนะคิดว่ากินจนท่อนมื่อตายได้นุ่นะกินจนพ่อนมื่อตายนะวันนี้รักสาโรคความทุกข์โรคความโลภโรคความโกรธโรคความหลงคันระับตาบางทีอาจจะหายตอนใกล้จะตายก็ได้แ <c ười> ตนน่ทังไดก็คือมองเบงร่างตายมันตายว่า ม, มันเขาตายหรือบนะเรื่องร่างตายมันเจ็บ ป่วยว่าเป็นเขาเจ็บป่วยร่างกายมันจะดแกว่าเป็นเขาแก่ร่างกายจะมีตายว่าเปนเขาตายอันนี้เรียกว่าถิ่มถิ่มร่างกายทัานผู้ใดถิ่มร่างกายได้น่ะปล่อยวานร่างกายได้บ๊ยยึดมั่นคือมั่นในร่างกายได้น่ะเพื่นว่าเป็นพระอริยะเจ้าเป็นพระอริยะสมเป็นพระอริยะบุคคลน่ะถิ่มว่าเป็นว่ารักษาได้ ขิมคืบอบ๊ยึดมั่นคือมันว่าร่างกายนี่เป็นของเขาจิตใจนี่เป็นของเขาเนี่ยขันขิมจะรี้ได้นะบ่เกินเจ็ดชาติเกิอบ่เกินเจ็ดชาติน่ะบางทีไอ้ตัวห่อเจ็ดชาติจะได้นะเรียกว่ามอแล้วน่ะคันนั่งเรือหรือไหวน่ะตับมอกับมอฟังแล้นะมองเห็นฟังแล้ใกล้ถึงฟังได้แล้วเนะะาะถ้าห่งงานโยมทุกคนเนาะใน ตั้งใจปฏิบัตินะเอาความรู้สึกโตความมิสติในนักใส่ในชีวิตของเขาเป็นประจําทุกวันจนกระทั่งถึงมือที่เขาสร้างกายมาตายนัดนนัน้นนะแต่ก็คอหยมองว่ามันเป็นเรื่องของร่างกายที่ตายเนจิตใจให้นะรักษาสติไว้นะยุเส ม, มอเป็นผู้มองเป็นผู้ดูนะเป็นผู้เห็นแยกข้ อ, ขอเศษเศษแยกขีดหลงเขายายก่อนเอานักมาสุดท้ายกันนะ ขอใอนญาณโยมทุกคนนะทั้งพระคุณเจ้าทุกท่านนะก็ขอให้ในตั้งใจทำความเพียรก็ขอให้ได้ขอถึงมาผคนิพพานนะในปัจจุบันชาตินี้หรืออนาะคตอันใกล้นี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทิ่มสาธุ